ก็ขอนอบน้อมต่อพระรัตะนาตรัยกราบน้ำสการหลวงปกลมผู้เป็นประธานกราบมัศการพระเทลานุเทระพระภิกษุเพื่อนสาธมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมผู้นักปฏิบัติธรรมอคิวบาสุบาสิกาก็เราพูดสภาวะของการปฏิบัติคือเรามาใหม่ เราจะติดอยู่ค่องติดค่องอยู่คือในเรื่องของนิวรณ์มันจะหนักนิวรณ์ห้าอย่างความรุนงเละสงสัยความหงุดหงิดผงซ่านความเบื่อความเสง่ยเหล่านี้มันจะเกิดมาเกิดมาทั้งวันนั่นแหละถ้าเราไม่มีสติฉะนั้นมันจะมีสติได้ก็ต้องทําความเพียรในมากเอาความรู้สึกอยู่ที่แต่ละก้าวแต่ละก้าวน่ย เดินจงกรมซะก่อนให้มากๆทำความเปลี่ยนมากๆเพื่อให้สติมีกำลังเพื่อให้สติมันต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องถ้าสติหรือความรู้สึกตัวต่อเนื่องอาการต่างๆก็จะหายแล้วยิ่งเราเคยมีอะไรเก่าๆเข้ามาเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นความสําคัญของโทรศัพท์คนไหนที่เคยพูดเคยคุยบ่อยๆนี่ พอไปเดินจงกรมปุ๊บมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เอ้ยคนนั้นจะโทรมาหาไม่คนนี้จะโทรมาหาเนี่ยตัดกลางบนไปเลยเป็นแน่นอนตัวเนี้ยพอเราเดินพอเดินจงกรมปุ๊บเดี๋ยวคิดถึงบ้านโดยเฉพาะคนอายุมากๆจะคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึง <c oughs> คนเคยรักนะ ช่างมันช่างมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือช่างมันช่างมันมากําหนดความรู้สึกตัวเนี่ยตงวนี้มันจะไหลมาเทมามันทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเราจะมาออกจากทุกเนี่ยความทุกข์มันจะทวีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเราเอาน้ํามันราดไปกองไฟให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นยิ่งคนที่มีเรื่องของอกหักเรื่องของความผิดหวังเข้ามาเนี่ย มันจะทุกแบบสาหัสสุดๆแรงเพีงเหล่านี้แหละจะทวีขึ้นมาขึ้นมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะอะไรแรงขึ้นเพราะให้เรามีสติกำหนดรู้สาเหตุที่มันเกิดอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันหมักหมมอยู่ในใจเราถ้าเรามาเดินจงกรมมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีสติไปกาหนดรู้เขา เมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือก็มีสติกำหนดรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกทำยังไงจะให้ความรู้สึกมันต่อเนื่องแค่นั้นเองอย่าไปสนใจเขาอย่าไปดูเขาถ้าเมื่อเราสนใจเราดูมันจะทวีแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นความคิดอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นก็ไม่กันีน่แหละคือให้เรารู้สาเหตุถ้าเราเบียนมีประสบการณ์รู้จริงๆเนี่ย มันจะบอกสาเหตุตัวสติปัญญาเราเนี่ยมันจะเกิดมันจะรู้สาเหตุของการเกิดที่เราเป็นเรามีอยู่ความม่่งก็ดีความหงุดหงิดผงซ่านก็ดีความเบื่อความเส็งความลังเลสงสัยอิจฉาพยาบาทแม้กระทั่งความหดหู่อย่าลืมว่าอคนไหนที่มีความหดหู่น่ะมันเดินยองโกงมากๆถึงขั้นจะฆ่าตัวตายก็มีนะอาดามาเคยมีพระที่ อที่ท่านมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอยู่ชอบไปปฏิบัติอยู่คนเดียวนะตอนปฏิบัติไปปฏิบัติไกลๆเพื่อนตอนตอนบวชอยู่ถามันถามเดือนนี่ไม่เท่าไหร่หรอกโยมคือมันเกิดอารมณ์มันเกิดอารมณ์หดหูวก็ไม่เท่าไหร่แต่พอศึกออกไปแค่นั้นแหละโ ย, ยมไปทําความเพียนว่าทาความเพียนตรงเนี้ยมันเกิดอารมณ์หดหูวขึ้นมานี่ผูกคอตายเลยอารมณ์ของเราเนี่มันมันแรงนะ ความคิดของเราเนี่ยเราคิดเรื่องทุกข์เรื่เย็นคนรักเรื่องคนรักเรื่องผิดหวังเนี่ยมันจะคิดมากคิดคิดไปคิดมาคิดในที่สุดจนกระทั่งว่ามันตันมันตันมันไม่มีทางออกแล้วคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วก็อีกคิดเรื่องเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องเดียวมันจะคิดเรื่องเดียวเรื่องที่มันทุกข์ในใจแล้วน่ยมันมีอยู่เรื่องเดียวที่หนักที่สุดนะเรื่องที่หนักที่สุดมันมีอยู่เรื่องเดียว คนที่มีทุกข์มากๆเมื่อมาเดินโยงกลมนี่มันจะเอาเรื่องนี้เรื่องนี้ละขึ้นมาก่อนถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้เราค้นเรื่องใหญ่ๆได้เนี่ยสมมติว่าเราเดินจนความคิดเรื่องทุกข์เรื่องนี้หายได้เนี่ยเรื่องอื่นๆจะเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยเลยแล้วการเดินจะเบามันจะสบายถ้ามีความรู้สึกต่อเนื่องแล้วเนี่ย มันจะสเบามันจะสบายแม้กระทั่งว่าเราเดินอยู่เราปวดแข้งปวดตอนเราเดินมากๆเนี่ยเราไม่เท่าไหรอกมันมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันมันไม่ทลัยแต่พอเลิกปุ๊บเนี่ยปวดแข้งปวดขาหนักปวดแข้งปวดขานี่เราลองกลับเข้าไปเดินอีกสิพอพอเราไปพักว่ามันปวดแข้งปวดขาเราจะว่ามันเดินไม่ไหวเนี่ยเราไปเดินอีกพอไปเดินอีกพอมีสติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เมื่อสติมันมากเมื่อสติมันต่อเนื่องความเจ็บความปวดมันจบได้วันหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยมันจะเจ็บแผลงปวดแฉ้งปวดขาเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างวันที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ให้เราฝืนนะให้เราฝืนเราอยากรู้เนี่ยให้เราฝืนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราฝืนเรากําหนดสติความรู้สึกได้แล้วเนี่ยทําไมมันหายได้สิ่งที่ว่าเราเป็นทําไมมันมันไม่เป็น พอวันที่7ดที่แปดที่เที่สิไปยิ่งเดินมัดว่าเข้ามากเข้าทําไมมันไม่เป็นเพราะตัวสติมีกําลังถึงแม้มันจะไม่ต่อเนื่องมันมีกําลังน้ําหนักของสติมันมากขึ้นเมื่อน้ําหนักสติมากขึ้นเนี่ยอาการเวทนาที่มันเกิดมันก็เบาบางมันก็ทุเลามันก็หายเดินจนโคมนแล้วมันปวดแก้งปวดขาทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเรากลับมาหาความมีสติได้มากไหม กลับมาหาความรู้สึกได้เร็วไหมฉะนั้นมันคิดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปให้มันคิดนานคิดปั๊บกลับมาปั๊บคิดปั๊บกลับมาถ้ามันนานมันยาวมันเคยชินนะมันจะเคยชินกับตัวคิดพอจะกลับมาหาตัวรู้สึกเนี่ยมันยากพอเราจะกลับมาหาความรู้สึกมันจึงยากฉะนั้นคิดปั๊บกลับมาคิดปั๊บกลับมาคิดปั๊บกลับมาหาวิธีหาแนวทางหลายๆอย่างมามาแก้ไขขณะที่มันเป็น พอมันเป็นเนี่ยเรามีหลายๆอย่างถ้าจะบางทีมันเบอร์นะออย่างเช่นแม้แต่ความรู้สึกที่มันมันมันชัดเจนมากๆเนี่ยอย่างเมื่อคืนวานอาจมาเดินพอความรู้สึกชัดเจนมามันก็มืนตุบเหมือนกันนะมันไม่ใช่เป็นความคิดนะเป็นความรู้สึกโอ้มันความรู้สึกตัวมันชัดชมากๆเนี่ยมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะต้องหาวิธีแก้หาอิเลียบทที่มันมันมันมันเรียกว่ามันคลายจากจากสภาวะนั้นๆ จะเป็นหาอิเลบทที่เปลี่ยนจากอารมณ์นั้นนั้นแต่ว่าก็มาอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละเช่นเราเดินยยกมอยู่เดิมาเดินยยกมอยู่นี่พอเดินยยกมอยู่ความคิดมันเอความรู้สึกตัวมันชัดชัดชัดชัดมากเอ้ยมันชัดนัชัดจนมึนละชัดยิ่งเดินยิ่งชัดยิ่งมึนมึนอ่าทํายังไงเออแข่งแขนดีไหมก็เลยมาเอายิบทแข่งแขนเดินยงกมด้วยแข่งแขนไปด้วยอย่างนี้มันก็คลายออกคลายออกโอ้แม้แต่สติที่มันชัดมันก็เป็น นะฉะนั้นเป็นอะไรกันแล้วแต่รู้จักสังเกตรูร้จักดูรู้จักดูว่า <c oughs> เมื่อมันเป็นเนี่ยเรามากาหนดเราเดินจงกรมแต่ละก้าวแต่ละก้าวรู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, สกเนี่ยมันหายไหมถ้ามันถ้าใหม่ๆนี่มันจะหายนะหายหายเพราะว่าเราเราเริ่มใหม่เริ่ ม, เ ร, มเริ่มมาจับสติใหม่ๆยิ่งเดินจงกรมมากยิ่งทำความเพียรมากใช้ความเพียรความอดทนเป็นตัวบุกเบิก เราอยากคิดว่าเราไม่เคยทําไม่ใช่นะตัวสติของเราทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าที่ใหม่นะไม่ใช่เป็นคนเก่าไม่ใช่เป็นคนใหม่คนใหม่ถ้าเราเดินจงกลมเดี๋ยวนี้เดินโยนกลม20นาทีเนี่ยสมมติว่าได้รู้ความรู้สึกต่อเนื่อง20นาทีเดี๋ยวนี้เนี่ยอีก6วัน7วันเป็นเรื่องหมูหมูถ้าคุณทําคุณเดินโยกลมเดินจงกลมต่อเนื่องได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย อีกหวันเจ็ดวันเป็นเรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะเราจับสติต่อเนื่องได้แล้วเนะี่ยเราจะได้หลักมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะยากตลอดนะมันอยู่ที่บุคคลอยู่แต่ละคนเพราะว่ากัวแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอุปนิสยัยจิตใจไม่เหมือนกันแต่ตัวสติละได้ ละอุบันิสัยจิตใจของเก่าๆเราเนี่ยเราเคยเป็นอะไรเคยทําอะไรเอาทิ้งไปก่อนยุดไปก่อนเช่นเราเคยโทรศัพท์เคยคุยกับเพื่อนตัวคู่ตัวคุยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติเราจะเห็นชัดเจนมากๆเลยเราแค่เราไปตักข้าวเนี่ยเก็บอารมณ์อยู่เนี่ยแค่เราไปตักข้าวเราคุยกับเพื่อนสองสามคำเนี่ยเข้าไปเดินจงกรมมันคิดเป็นชั่วโมง ไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเอาที่สิ่งที่เราพูดเราคุยฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรารับรับเราเรียกว่ารับสภาวะอารมณ์เห็นเราก็ลับมาได้ยินเราก็ลับมากินอาหารอร่อยก็เราก็รับเข้ามาอันนี้แหละยเวลา <c oughs> เวลาอย่างนี้แหละให้เราสังเกตเราเห็นว่าถ้าเราอันตรงไหนที่มันเป็นเรียกว่ามันจะยากต่อการปฏิบัติเราก็ต้อง เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทําอีกไม่เอาอีกนะโดยเฉพาะ <c oughs> เราคุยโทรศัพท์นานๆนี่นโอ้เห็นเห็นโทษน่าจะเห็นโทษนะบางทีคนเห็นเวลาเดินเยาว์อารมณ์อยู่นะพอเราคุยปั๊บเนี่ยโทรศัพท์คุยปั๊บเนี่ยพอไปเดินจงกรมปั๊บเนี่ยเอาแล้วออกมาแล้วไอ้ที่คุยกันนะ่ะไหลเรดเรืดเรเเป็นชั่วโมงบางทีคนที่ไม่ทันนะจะเป็นชั่วโมงกันแล้วกันนั่นแหละคือโทษ โทษของการรับเรียกว่าตาหูจมูกเลี้นกายใจเนี่ยมันรัสมันได้สัมผัสตลอดเวลาเมื่อมาจะมาให้มามีสติลว้ลวนๆเนี่ยมันจึงยากฉะนั้นเราทำยังไงเราจะป้องกันตัวเองนะโยมเวลาเจ็ดวันนี่ถือว่าน้อยมากยิ่งสามวันนี่ยิ่งจะไม่ได้อะไรเลยนะยิ่งสามวันนี้กอเลยเพราะพอกำลังจะหายง่วงกลับบ้านแล้ว พอกาลังจะหายล่วงพอพอใจรู้เรื่องของรัวจะรู้เรื่องของความง่วงพอจะรู้เรื่องของความคิดความลังเรสงสัยพอจะเข้าพอจะรู้พอจะเห็นแล้วกลับแล้วอาากนั้นใช้โอกาสให้เป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องของสตินี่น้อยคนนะที่จะกลับมาดูตัวเองโยมการศึกษาทางโลกเนี่ยเราหาเรา เราไปศึกษาเราไปเรียนรู้เยอะแยะอะไรเข้ามาใหม่ๆเราไปเรียนรู้หมดคอมพิวเตอร์เข้ามาเราไปรู้โทรศัพท์เข้ามาเราไปรู้อะไรใหม่ๆเราจะไปรู้พากันไปเรียนรู้หมดแต่สภาพว่ของจิตใจของเราที่มันก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยเราไม่พากันมาเรียนรู้แม้แต่ลังเราทุกอยู่เราเราเรามีเราไม่มีโทรศัพท์เนี่ยเราก็ทุกอยู่เราก็ไม่รู้แต่มันเป็นความพอใจมันถึงไม่คิดว่าตัวเองไม่ทุกข์ ความพอใจเนี่ยถ้าเราไม่มีสภาวะของสติจริงๆเราจะไม่เห็น เ, เห็นได้ยากแม้กระทั่งความทุกข์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้เราเร า, เรายังไม่เห็นเลยความทุกข์เนี่ยยัง <c oughs> ถ้ า, ถ, าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราก็จะออกได้ยากนะอาตมามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมมรรก็ไม่ได้คิดว่ามันมันมันไม่เลยว่าถึงแม้จะมีทุกข์แต่กระนังมันเป็นทุกข์น้อยเมื่อมีทุกข์น้อยก็ยังทําไม่เต็มที่ นะฉะนั้นเรามาอยู่ในหมู่คนมากๆเนี่ยฉนันภูบาอาจารย์พระภูบาอาจารย์พาเดินจงกรมทั้งวันทำความเพียรทั้งวันอันนี้แหละมันส่งเสริมให้เราทำความเพียรได้มากถ้าเราไปทาคนเดียวเนี่ ย, ยเดินบ้างไม่เดินบ้างเดี๋ยวก็ไปนั่งเดี๋ยวก็ไปหลบแล้วไปหลับแต่เดินในเป็นหมู่เนี่ยมันจะตั้งใจเดินเมื่อตั้งใจเดินเดินมากความอดทนมันก็มากขึ้น ความเพียรมากขึ้นตัวสติก็ค่อยๆมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันอันนี้แหละนาะก็ให้ให้เราตั้งใจยากถ้ายิ่งคนไหนที่มีหน่วยงานบังคับมาเนี่ยยิ่งยากนะแต่ว่าให้เราตั้งใจเลยว่าโอ้เรามาแล้วยังไงก็ตกกระดพลอยก็นจนเอาความดีใส่ตัวให้ได้เพราะอะไรเพราะตัวสติมันจะแก้ไขปัญหาในชีวิตเรานะ ตัวตัวตัเนี่ยมันจะแก้ปัญหาในชีวิตเรานะอัตมานี่ยมาปฏิบัติเนี่ตอนแรกๆเกน่ะสี่ปีแรกเนี่ยก็ไม่เลี่ยงความเพียรเท่าไหร่นะทําบ้างไม่ทําบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าถึงขั้นที่จะเสียชีวิตนะคนเราทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยยังไงก็จะแสวงจิตใจมันจะแสวงหา แ ส, แสวงหาที่ยึดที่เกาะนะถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยมันต้องแสวงหาแน่นอนตรงนี้แหละที่มันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเมือม่อเราเกิดพอการีตายปุ๊บมันก็เลยจิตใจที่เราแสวงหาความดีมันก็บอกโอ้เราเราเนี่ยยังยังไม่ได้ทําความดีเลยเราจะตายแล้วเหรอนี่ยพอมันจะตายเนี่ย เ, เรายังไม่ได้ทําความดีแล้วจะตายแล้วเหรออันนี้มันคือเหตุการณ์ที่เป็นแบบว่า ไฟช็อตเกือบตายนะอาจะมาไฟช็อตเกือบตายแล้วก็พอมันจะรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยมันรีบวิ่งหาความดีจิตใจเราเมื่อวิ่งหาความดีโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องปฏิบัติธรรม <c oughs> เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนะี่ยก็เห็นเห็นสภาวะสภาวะที่มันมันไม่ทุกข์โยมความทุกข์ก็ดีเวทนาก็ดีนะที่เราเป็นเราอยูนะ่เรามีอยู่กับ <c oughs> เราให้ ให้เวทนาให้ความทุกข์มันหลอกนะมันหลอกเนี่ยเราก็ทําตามเขาตลอดเวลาแล้วยิ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมถ้าหากว่ามันเจ็บมันป่วยก็ลองลองฝืนซะก่อนนะมันไม่มันมันมันเจ็บมันปวดมันปวดท้องปวดหัวปวดอะไรเนี่ยลองเอาสติกําหนดรู้รููู้้้ซะก่อนอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งคิดว่าโอ๊ยไม่สบายโอ๊ยเป็นไข้มันอาจจะเรียกว่า จิตใจเราเนี่ยมันมีอุปท า, านตัวอุปท า, านนี่แหละมันจะเข้าไปแสดงให้เราเราเห็นโดยเฉพาะคนที่เคยผ่าตัดมาเคยขาหักเคยบาดเจ็บมาแล้วเนี่ยพอมาเดินจงกรมไอ้ตรงนั้นและมันจะเกิดเจ็บปวดโอ้ยขึ้นมาอย่างแรงเลยแหละอันนี้เราเรียกอุปท า, านตัวอุปท า, านเนี่ยมันแสดงมันมันมันหลอกเรานะ มันมันหลอกมันมาหลอกเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะที่ที่ <c oughs> ที่อจะมาเป็นนะอยู่ที่วัดพอมันเป็นไข้ <c oughs> เป็นไข้แล้วทีนี้ก็มันมันมันมันคิดเราเองอ่ะยาที่วัดก็มีอะไรก็มีแต่ว่าอ๊้เราเป็นไข้หนักมากเลยไม่หายหรอกต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวต้องฉีดยา ไปหาลงไโรงพยาบาลทีนี้ไปโรงพยาบาลตั้งแต่แปดโมงโมกว่าหมอจะมาทํางานก็นูนะ่นอ่ะแปดโมงครึ่งกว่าเขาจะเลี้ยงคิวคนนู้นคนนี้ก็สิบโมงครึ่งจะเพลนแล้วยังไม่ได้หมอยังไม่ได้เรียกเข้าไปาเข้าไปตรวจอะไรเลยทีนี้มันไปถูกห้องแอร์มันก็หนาวก็สัน่นดิหนาวสั่นหมอพยาบาลเห็นเขาก็เรียกเข้าไปก่อน <c oughs> เรียกเข้าไปก่อนเรียกเข้าไป หมอก็ลถามอาการเป็นยังไงแล้วก็จัดยาให้บอกว่าเอายาไปรัทานกันแล้วกันโอ้ยมันไม่หายหรอกต้องฉีดยาบอกหมอแล้วรู้ดีก็หมออีกพยาบาลก็บอกวหนูไม่ใช่หมอหนูเป็นพยาบาลเอามันฉีดให้ไม่ได้เหรอก็คนมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยใบบ้าเขาอีกเขาก็ไม่ได้หนูไม่ใช่หมอหนูเป็นพยาบาลก็ไปให้ยาแบบไปกับวัดทั้งโมโหทั้งหัวเสียเลยโยมไม่เข้าก็ได้โรงพยาบาลเนี่ย ไปเข้าเชภูมิก็ได้นี่ขึ้นรถไปดิไปขึ้นรถห้าโมงพอดีไปขึ้นรถจากจตุรัสไปเชฟภูมิแล้วพอเอื้นก็ยาที่หมอให้ไปก็กินกินยานั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปไปถึงโรงพยาบาลเชภูมิก็เชี่ยงนั่งรอหมออีกไปนั่งรอหมอรอไปรอมายามันออกลทิ์ ไข้าสางเหงอแตกพักพักพักพักโอ้เรานี่ <c oughs> เรานี่โดนหลอกแล้วเราโดนความคิดมันหลอกแล้วเราโดนอุปทานหลอกแล้วเป็นไข้หน่อยเดียวยาพาราอยู่วัดเป็นกรรมเป็นก็เป็ น, ปนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ยาพารากินยาพาราสองเม็ดหายแต่อุปทานที่เรามีเราคิดว่าเราเป็นมากเหมือนกันมาเดินยงกลมทมําความเพียนเนี่ ตัวอุปาทานต่างๆมันจะเกิดความเจ็บความปวดความป่วยความไข่อะไรนี่มันจะแสดงถ้าเราฝืนสักหน่อยหนึ่งเดินจงกลมทำกลมเพียรตรงนั้นแหละอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเพื่อให้เรามีสติกำหนดรู้แล้วทำความมีสตินะให้ต่อเนื่องทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าอย่าไปสนใจมัน เมื่อตัวสติมันรู้ได้ทุกข้าวทุกการนแนบแน่นดีแล้วเนี่ยจะหายทันทีอาการที่เป็นนะจะหายเพราะว่าเราคนใหม่ๆเนี่ยเ อ, อมันมันมันจะมีหลายๆอย่างที่คือเข้ามาเวลาเราปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาโมดหละเรื่องอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุอดีตเก่าๆจะไล่ไล่ไล่ไลไลมานะ มันจะไหลเข้ามาลูกหลานอะไรตั้งแต่เป็นสาวเป็นเด็กน้อยมันจะไหลมาอะไรมาทุกคนมันจะมามันจะมารักษณาช่างมันช่างมันช่งมันจะเป็นเรื่องอะไรช่างมันช่งมันช่างมันนะถ้ามันไม่คิดเรื่องนี้ถ้าไม่คิดเรื่องอดีตมันก็จะเริ่มพกไปเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าอย่างต้องข้ามให้ได้ถ้าอยากมีสติอยากมีความรู้สึกตัวดีๆเนี่ยต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้นะถ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้นี่ มันมันไปไม่ได้หรอกนิวรเป็นเบื้องต้นเลี่ยใครว่ามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่มาเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบที่เราจะต้องสอบให้ผ่านไม่ใช่ปัญหานะความมีสตินียถ้าผ่านอารมณ์ทุกอย่างแล้วนี่ทุกอย่างจะไม่ใช่ปัญหาจากเรื่องง่ายยา ก, ยากจะเป็นเรื่องง่าย ง่ายทั้งหมดเลยเราเราเราถ้าเราไม่มามามาเรียนรู้นี่เราเราถ้าไม่มาจเจริญสติอาตมาก็จะไม่รู้อะสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราอยู่กับชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าเราอะไรเข้ามาบัางโดยเฉพาะที่สิ่งที่เห็น <c oughs> เห็นแล้วมันน่าทึ่งมากๆนะโยมอย่างเช่นอุบาทานที่เคยเคยอาตมาเคยเป็น ตอนเป็นตอนเป็นคลาวาดเนี่ยมันมันจะปวดเส้นสันหลังเนี่ยบางวันนะมันมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกบางวันนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปวดหลั ง, งตั้งแต่บ้านเดียวจนถ้าขยับปั๊บมันจะวิ่งปูดขึ้นถึงสันหลังตลอดสันหลังเลยแล้วปวดปวดแล้วจะลุกไม่ได้ถ้านอนอยู่เนี่ยจะลุกไม่ได้ตะแคงนี่ก็บปั๊บปั๊บลุกขึ้นเนี่ยจะลุกไม่ได้เลยต้องต้องหาอะไรดึงขึ้นหรือไม่ก็ให้คนดึงขึ้น ค่อยถึงค่อยเรียกว่าถึงค่อยลุกขึ้นได้ตัวเนี้ยมันเป็นเป็นมาหลายสิบกว่าปีนะที่เราว่าเราเป็นทีนี้เรามันมันจะมาเห็นอาการที่ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนี่มีอยู่คืนหนึ่งที่ <c oughs> นี่ก็ปฏิบัติมานานเลยแหละที่นอนอยู่คืนตอนนั้นนอนตอนกลางคืนเนี่ย น, น, นอนแล้วทีนี้มันปวดมันลุกมันมันปวดแล้วโอ้ มันนอนไม่ได้ขยับแข้งขยับขาตะแคงนี่ปั๊บป๊บมันนอนไม่ได้เออนอนไม่ได้ก็ดีแล้วนอนไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินโยงกลมเดินโยงกลมชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเสร็จแล้วไปนอนมันก็หลับหละพอหลับมันก็เป็นอีกปั๊บอีกลุกขึ้นมาเดินโยงกลมอีกเดินโยงกลมพอลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ไปนอนอีกอ้าวพอนอนพอมันนอนไปนอนอีกเป็นอีกเอ้าวมึงอยากเป็นก็เปมันจะเดินกันอย่างนี้แหละ ก็เลยเดินจงกรมเดินไปเดินมาหายจบตั้งแต่ดอนนั้นมาเลยจบอาการที่เป็นนะจบตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอีกเห็นสาเหตุคืออะไรคือเรานั่งหมกมุ่นคุ้นคิดเวลาเราตื่นขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราคิดได้ทำไปพอเราคิดมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นเส้นประสาทตั้งแต่บั้นเดียวถึงไขสันหลังเนี่ย เรามีชีวิตอยู่อย่างนั้นเราหมกมุ่นคุนคิดทุกวันทุกวันทุกวันมันสะสมเมื่อมันสะสมมันก็ส่งผลต่อร่างกายแต่เราไม่รู้เรายึดว่าเราเป็นไม่ได้กินยาอะไรนะไม่ได้กินยาส่วนมากเดี๋ยวเนี้ยอ่ปวดแข้งปวดขานมันปวดทุกวันแหละเดินยงกลมทําความเพียรตอนเย็นเย็นมันจะไปนอนเนี่ยมันก็ปวดแล้วมันเจ็บมันปวดแต่ตื่นเช้าขึ้นมามันไม่เป็นเป็นปกติมันก็ปกติน่ะเหมือนเดิมนะทําไมมันหายได้อยู่ อันนี้แหละคือเราเมื่อเราเจริญสติมากแล้วเราทําความรู้สึกตัวมากแล้วมันจะส่งผลอย่างนี้ให้เราเห็นสภาวะของเวทนาของกายของใจเรามาเรียนรู้ในเรื่องที่ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเรานะโยมถ้าเรามีทุกอะไรเราออกได้ถ้ามีความกังวลอะไรเราออกได้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่านี้อีกแล้ว เรียกว่าเราจะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตเรานะแม้แต่เรื่องของสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาที่ที่เรามามามาเดินจงกรมมาทําความเพียรมันจะมีปัญญาเรียกว่าปัญญาทีเา่เราไม่เคยมีมาก่อนกันแล้วกันมันจะมีมีมากขึ้นมันจะต่างเก่ามันจะไม่เหมือนเดิมกันแล้วกัน เราเคยเป็นอะไรมันจะเปลี่ยนไปในด้านดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นะฉะนั้นโอกาสในสามวันก็ดีเจ็ดวันกด็ดีตั้งใจทำโยมอย่าทำด้วยความหดหู่อย่าทำด้วยความ ท, ท้อแท้อย่าทำด้วยความไม่ตั้งใจขอให้ตั้งใจทำเราให้กำลังใจตัวเองว่าเราทำเนี่ยเราได้ประโยชน์กับเรานะเราเดินจงกรมเราทำโคมเพียนเนี่ยเราได้ความเข้มแข็งเราได้กำลัง เมื่อเรามีสติเรามีกําลังของปันของสติของมีกําลังใจนะยิ่งมีสติมากจิตใจก็เข้มแข็งยิ่งมีสติมากเท่าไหร่นี่อใจเรานี่ก็มันจะแข็งเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกายเราก็เข้มแข็งขึ้นใจเราก็เข้มแข็งขึ้นมันจะดีไปหมดนะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงอันตรายนี้แทบจะ ม, มีเลยแหละตั้งแต่บวชมานี่ เป็นใครนับครั้งได้กันแล้วกันไม่ถึงห้าครั้งด้วยมั้งยี่สิบห้าปีเนี่ยจนยบบใครได้ปล่อยแทบไม่มีถึงมีก็ทนได้นะถึงอย่างเช่นว่าเคยเป็นปวดแข้งปวดขาเนี่ยเคยโดนเหล็กตีขาหัวเข่าสะบ้าหลุดเนี่ยไม่กินยานะแต่ใช้เอายืดของพยาบาลพันพันพันพั น, พ, น, พ, นพันขาพันหัวเข่าเนี่ยเดินพันแล้วก็เดินอยู่ เดือนหนึ่งถอดผ้าออกเป็นปกติร่างกายเราปรับสภาพได้โยมทำํำไมสัตว์พวกเช่นหมูหมากาไก่เวลามันมันแข้งขาหักมันไม่กินยาทําไมมันมันหายได้มันไม่ได้ให้พยาบาลไม่ไปหาหมอที่โรงพรยาบาลทํำไมมันหายได้มันปรับสภาพได้ร่างกายเราขอให้มีสติถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วมันจะปรับสภาพชีวิตเราก็เป็นเหมือนนั้นมันจะปรับสภาพไปในทางที่ดีขึ้น อันนี้ก็พูดสู่ฟังเนาะก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้พบได้เห็นสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาในเวลาอันใกล้ทุกท่านทุกคนเดิน